หปาติเทศนียกันคำถามคําตอบในปาติเทศนียกันละปาติเทศนียกันสิกขาบทที่8ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทศนียะเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันเป็นปัจจัยณที่ไหน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 กัปัญญติวาระที่หนึ่งจบ